ท่านสาธุชน <c oughs> ผู้มาร่วมกัน <c oughs> บำเพ็ญกุศลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ <c oughs> ในวันนี้ในสถานที่นี้ทั้งหลายอาตมาก็ข อ, ขอแสดงความยินดีในเบื้องต้น <c oughs> ในการมาของท่านทั้งหลายมีความรู้สึกว่า ทุกคนควรจะได้ปรับปรุงทุกสิ่งทุกอย่างให้เหมาะสมกับที่ว่าจะขึ้นปีใหม่อีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะถึงวันที่เราสมมติกันว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ควรจะเตรียมตัวกันอย่างไรให้การขึ้นปีใหม่นั้นมีความหมายขอได้ทำในใจแยบคายเพื่อสำเร็จประโยชน์ตามนั้นเถิด ก <c oughs> ารขึ้นปีใหม่ก็บอกอยู่แล้วว่าไม่ใช่ปีเก่าเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องเป็นการซ้ำรอยหรือย่ำเท้าอยู่ในที่เดียว <c oughs> <drainage> ขอให้มันก้าวหน้าไปก้าวหน้าไปอย่าให้เป็นอันว่ามันเป็นวงวงวงวงซ้งำรอยอยู่ที่นี่เหมือนกับเคยเปรียบว่า เชือกล่าควายที่เขาขดเป็นวงๆแล้วก็เป็นขดอยู่นั่นเองโยนทิ้งอยู่ที่นั่นเองมันไม่ยืดยาวออกไปในที่ไหนได้เดี๋ยวนี้เราต้องการให้มันยืดยาวออกไปเหมือนกับหลักปักข้างพ้นทางบอกความยาวของถนน เป็นกิโลเมตรกิโลเมตรติดต่อกันไปมันก็ไปได้เรื่อยๆจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางขอให้การขึ้นปีใหม่ของเราอย่าได้เป็นเหมือนกับเชือกล่ามควายเราจะกลายเป็นควายกันเสียหมดค่อยเป็นเหมือนกับว่าหลักกิโลเมตรที่มัน ไกลออกไปใกลออกไปเพิ่มมากขึ้นเราก็จะเป็นผู้เดินทางซึ่งเป็นความหมายในพระพุทธศาสนาคือเดินไปตามมันคาที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงไว้กวาจะถึงจุดหมายคือพระนิพพาน <c oughs> สำหรับปีนี้เรามาคิดว่าจะบอก ความก้าวหน้าที่มากไปกว่าปีก่อนแล้วก็รวบรัดตัดสั้นยิ่งขึ้นทุกที <c oughs> ให้เป็นของง่ายสำหรับท่านทั้งหลายไอ้ความง่ายนี่อยากจะให้ง่ายมากขึ้นทุกอย่างทุกทางคือว่าจะเป็นการศึกษาก็ให้มันง่าย จะเป็นการปฏิบัติก็ให้มันง่ายการได้รับผลของการปฏิบัติมันก็จะง่ายไปด้วยกัน <c oughs> ข้อนี้ก็คืออยากใจท่านทั้งหลายให้มีสิ่งที่เรียกว่าหัวใจของพระพุทธศาสนาอยู่กับเนื้อกับตัวเหมือนกับคนที่เขาชอบแขวนพระเครื่องราง ทุกคนหลายๆายคนเขาชอบเอามาแขวนไว้ที่คอมาขออาตมาอยู่บ่อยๆแต่ว่าพระเครื่องรางชนิดนั้นไม่มีห้จะให้พระเครื่องรางอย่างที่เรามีเขาก็ไม่เอาเราจึงให้กันได้เฉพาะผู้ที่รู้จัก สิ่งที่จะเป็นเครื่องรางที่จะแขวนไว้ที่คอได้ก็ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าหัวใจของพระพุทธศาสนาแต่สิ่งที่เรียกว่าหัวใจของพุทธศาสนานี้ก็อ ย, อยังไม่เป็นที่ตกลงกันบางคนชอบอย่างนั้นบางคนชอบอย่างนี้แต่สมาคิดว่ามันควรจะเป็นสิ่งที่กระทัดรัด เหมือนกับว่าพระองค์เล็กๆแขวนไว้ได้ที่คอสะดวกสบายในที่ทั่วไปอะไรเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาโดยทั่วไปตามที่ได้ศึกษากันมาก็จะระบุไปยังอริยสัจส์4ก็มีสขอ้อหรือบางคนก็จะย่นลงมาที่คาถาของพระอัศสชิ เยธรมมาเหตุปบภาวเตสังเหตุตุลาคโตอย่างนี้เป็นตน้นมันก็ยังยืดยาวบางคนก็ย่นลงมาเหลือเพียงโอวาทปาติโมกว่าสัพปปาปัสสะอาการนังกุสะละสูปสัมปทาเป็นอาทินี่มันก็ยังยาวทั้งสีบ่บรรทัดยมาเคยบอกว่าเราเอากันแต่ประโยคสั้นๆประโยคเดียวว่า สัพเพธรร ม, มานาลังอพินิเวสายะนี่เป็นประโยคสั้นๆประโยคเดียวว่าทำทั้งหลายทั้งปวงอันใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของตนนี่เดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่ามันยาวคงไม่มีใครจะอยากเอาไปแขวนไว้ที่คอเพราะมันยาวรุงรังในวันนี้เฉพาะสิ้นปีนี้เพื่อปีหน้า ก็จะบอกว่าใจประพุทธศาสนาไว้ด้วยคำที่สั้นที่สุดเหมือนกับพระองค์เล็กๆแขวนไว้ได้ที่คอคำนั่นคือก็คื อ, ค, อคำว่าตาถาตาถ้าไม่ชอบเป็นบาลีก็เอาเป็นไทยคือคำว่าเช่นนั่นเอง <c oughs> ถ้าทุกคนแขวนเช่นนั่นเองไว้ที่คอ ก็เหมือนกับว่าได้แขวนพระเครื่องอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าชนิดไหนหมดคุ้มครองป้องกันได้หมดและทำให้ก้าวหน้าสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปสมกับที่ว่ามันเป็นปีใหม่มันควรจะยิ่งขึ้นไปจะได้พิจารณ า, ากันดูต่อไปว่าใ้คำว่าเช่นนั่นเอง นี่มันจะเป็นหัวใจแห่งพุทธศาสนาได้อย่างไร <c oughs> คนที่รู้ว่าคําว่าเช่นนั่นเองนั่นมาจากคําบาลีว่าตาถาตาตาถาตาก็แปลว่าเช่นนั่นเองหรือความเป็นเช่นนั้นนี่จะเป็นหัวใจแห่งพุทธศาสนาอย่างไร ถ้าเคยได้ยินได้ฟังมาก็จะรู้ว่าเป็นคำที่พระพุทธองค์ได้จัดไว้ว่าทาคตจะเกิดหรือจะไม่เกิดขึ้นธรรมธาตุนั้นก็มีอยู่แล้วว่าทำทั้งปวงสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์และทำทั้งปวงเป็นอนัตตาอย่างนี้ก็มี บางทีพระองค์กส็สัตว่าธรรมธาตุนั่นคือความที่มีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นแล้วก็สัตร์ปฏิจจสมุปาทตั้งแต่อวิชชาปัจจญาสังขาราเป็นต้นไปจนจบแล้วก็ทรงสรุปความว่านี่คือความเป็นอย่างนี้คือเป็นตถาต า, ทา <c oughs> นี่คือความนี่เป็นอวิตรตานี่คือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนี้หรือว่านัญยตานี่ไม่เป็นอย่างอื่นไปจากความเป็นอย่างนี้ธรรมดิตตานี่เป็นความตั้งอยู่โดยธรรมดาธรรมนิยามตานี่เป็นกฎตายตัวของธรรมดาหรือว่า ยิทธปัจเจตาปฏิจจสมุปปาโทเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเป็นการอาศัยซึ่งกันเกิดขึ้นดังนี้คำพูดมันหลายคำแต่สรุปให้เหลือสั้นก็มาคำเดียวก็คือคำว่าตถตาแปลว่าความเป็นเช่นนั้นหรือจะเรียกว่าเช่นนั้นเอง เช่นนั้นเองนี่ทรงแสดงไว้ด้วยพระไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกครั้งอนัตตาก็มีทรงแสดงไว้ด้วยปฏิจจสมุปบาตทตลอดสายก็มีทรงแสดงไว้ด้วยอริยสัจสี่ก็มีที่ทรงแสดงไว้ด้วยอริยสัจสี่นั้นท่านกลับจะเรียกสั้นเข้ามาอีกเพียงว่าตาถา ก็ปแปล ว, ว่าเช่นนั้นจะแสดงด้วยปฏิเจตสมุปบาทท่นานใช้คําว่าตถาตาหรือตถัาตาแลล ว, ว่าความเป็นเช่นนั้นขาดไปพยางค์หนึ่งก็ไม่เป็นไรเนื้อความยังเท่าเดิมว่ามันเป็นเช่นนั้นทีนี้ก็มาพิจารณาดูกันถึงความหมายคําว่าเป็นเช่นนั้น ก็หมายความว่ามันไม่เป็นผิดไปจากนั้นมันไม่เป็นอย่างอื่นจากนั้นเพราะว่ามันเป็นกฎตายตัวของธรรมดามันเป็นการตั้งอยู่โดยธรรมดาคือความที่มันอาศัยสิ่งนี้สิ่งนี้แล้วจึงเกิดขึ้น <c oughs> ดูที่พระไตรลักษณ์ก่อนว่าสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกขธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตานี่ ความที่มันไม่เที่ยงคือมันเป็นเช่นนั้นความที่มันเป็นทุกข์มันเป็นเช่นนั้นความที่มันเป็นอนัตตาคือความเป็นเช่นนั้นความเป็นเช่นนั้นก็คือความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาถ้าผู้ใดเข้าใจผู้นั้นก็จะเห็นว่าความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตานั่นแหละคือความเป็นเช่นนั้นนี่จำไว้ทีหนึ่งก่อนว่าที่ว่าเป็นเช่นนั้น ก, ก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาที่นี้ถ้าว่าจะพูดถึงเรื่องของปฏิจสมุบาทความเป็นเช่นนั้นมันอยู่ตรงที่ว่าอาวิชชาให้เกิดสังขารสังขารให้เกิดวิญญาณวิญญาณให้เกิดนามรูปนามรูปให้เกิดผัตสอาจจะตนะอาจะน่ายเกิดผัตสสะผัตสัยเกิดเวทนาเวทนายเกิดตัณหา ทัานให้เกิดปารทานปาทานให้เกิดพบพบให้เกิดชาติชาติให้เกิดทุกขังพวงนี่ความเป็นเช่นนั่นเองมันยาวหน่อยมันไล่ติดกันไปยาวหน่อยแต่สรุปความแล้วมันต้องเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างอื่นไม่ได้มั่นปฏิจจสมุปบาททั้งพวงนั่นก็สรุปเหลือได้เป็นเพียงคําคำเดียวว่าเป็นเช่นนั่นคือตถาตาอีกเหมือนกัน ถ้าไปดูที่อริยสัจสี่ความทุกข์ เ, กกเป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ผลทางถึงความดับไม่เหลือเป็นอย่างนี้ก็ชี้ชัดตรงไปอย่างนี้อย่างนี้ก็หมายว่ามันเป็นเช่นนั้นมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้ในความทุกข์จะเป็นอย่างอื่นไม่ได้เหตุให้เกิดทุกข์จะเป็นอย่างอื่นไม่ได้ความดับทุกข ก็เป็นอย่างอื่นไม่ได้ทางทั้งความดับทุกข์ก็เป็นอย่างอื่นไม่ได้มันจะเป็นแต่เช่นนี้เช่นนี้อย่างที่พระองค์ได้ตรัสไว้ัจึงเรียกอริยสัจทั้งสีนี้ว่าตถ า, าหรือตถต า, า, าด้วยเหมือนกันนี่คำว่าตถต า, า, าจึงได้แก่ลายพระไตรลักษณ์ได้แก่ปฏิจจสมุปบาทได้แก่อริยสัจสี่ เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วทำไมจะไม่เรียกว่านี่คือหัวใจของพระพุทธศาสนาซึ่งสรุปเข้ามาเหลือเพียงคำคำเดียวว่าตาตาคือความเป็นเช่นนั้นจงจำคำว่าตาตาหรือความเป็นเช่นนั้นว่าให้แม่นยำอยู่กับเนื้อกับตัวเหมือนกับเอามาขแขวนไว้ที่คอ อย่างพระเครื่องให้มันคล่องปากคล่องใจว่าตถัดตาเป็นเช่นนั้นจะพูดเป็นภาษาชาวบ้านสักหน่อยก็ได้ว่ามันเช่นนั่นเองเพื่อเป็นภาษาคนธรรมดามากขึ้นก็ว่าเช่นนั่นเองเอาเช่นนั่นเองมาแขวนไว้ที่คอเป็นพระเครื่อง ก็จะคุ้มครองทุกอย่างแล้วก็จะส่งเสริมให้จเจริญก้าวหน้าเป็นลบดับไปจนถึงการบรรลุมรรคผลนผลิพพานจะขอบรรยายลักษณะของคำว่าเช่นนั่นเองต่อไปอีกหน่อยคนโง่จะไม่ไม่รู้จัก ความเป็นเช่นนั่นเองผู้มีปัญญาตามหลักของพระพุทธศาสตร์ธนาสนาเท่านั้นจึงจะรู้จักความเป็นเช่นนั่นเองความเป็นเช่นนั่นเองไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่สำคัญอย่างยิ่งกระทั่งเป็นสุญญาตาก็รวมกันเป็นตัทตาแปลว่าเช่นนั่นเองอนัตตาแปลว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไม่ใช่ตนก็คือเช่นนั่นเองมันจะ เ, เป็นตนไม่ได้เพราะมันเป็นเช่นนั่นเองตามธรรมชาติของมันเองและสุญญาตามันก็ว่างจากความเป็นตัวตนที่จะยึดถือได้เพราะว่ามันเป็นเช่นนั่นเองเพราะว่ากรททั้งพวงนะ่มันเป็นว่างจากตัวตนเช่นนั่นเองความที่มันไม่ใช่ตัวตน แล่ามันว่างจากตัวตนนี่เรียกว่ามันเป็นเช่นนั่นเองคือต า, ตาตาตถาตา <c oughs> ถ้าชอบคําบาลีก็ใช้คําว่าตถาตามาแขวนไหว้ขีดคอถ้าชอบคําไทยก็ว่าเช่นนั่นเองแล้วก็มาแขวนไหว้ขีดคอภาษาจีนก็แปลคํานี้ไปเป็นคําว่าอยู่สี ถ้าใครชอบใช้ภาษาจีน mm hmm. ก็เอาคำว่ายู่สีแขวนไว้ที่คอได้ผลเท่ากันแหละจะว่าเช่นนั้นเองก็ได้จะว่าตาตาก็ได้จะว่ายู่สีก็ได้มันแปลว่าเช่นนั้นเองที mm ่จะแขวนไว้ที่คอมันก็มีความหมายที่จะต้องคิดนึกกันสักหน่อยว่าไอ้พวกที่เอาพระแขวนคอแขวนเฉยๆมันก็ม่ไม่ได้อะไร แต่ถ้ามันแขวนไววกันลืมแขวนไววให้เป็นเครื่องช่วยให้ระลึกนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะไรก็ตามมันก็ได้ประโยชน์เราก็เหมือนกันจะเอาไ้เช่นนั่นเองมาแขวนไหวที่คอเฉยๆโดยไม่รู้ความหมายมันก็ไม่มีประโยชน์เราต้องเอามาแขวนไว้ในลักษณะที่รู้ความหมายคือใช้ให้เป็นประโยชน์ให้ได้นั่นเองเมื่ออะไรเกิดขึ้น เช่นนั่นเองให้มันทันท่วงที <c oughs> ของที่สวยงามทางตาผ่านมามันก็เช่นนั่นเองของที่หน้าเกลียดหน้าชางังดูแล้วหน้าเกลียดหน้าชางังทางตาผ่านมามันก็เช่นนั่นเองแล้วมันจะเป็นอย่างไร <c oughs> ลองคิดดู ไอ้สวยมันก็เช่นนั่นเองมันก็ไม่รักไอ้ไม่สวยมันเช่นนั่นเองมันก็ไม่เกลียดมันก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายมันเฉยได้มันจึงไม่เกิดตัณหาอุปาทานมันจึงไม่มีความทุกข์เนี่ยเช่นนั่นเองมันคุ้มครองไม่ยินดีในส่วนที่ชวนให้ยินดีไม่ยินร้ายในส่วนที่ชวนให้ยินร้าย ที่จะยกตัวอย่างข้างหูมาไพเราะอย่างที่คนก็สมมติกันว่าภายัยเราะไอ้คนโง่โง่มันก็ลอยยึดถือตามไปว่าไยเราะมันก็มีสิ่งที่ไพเราะเกิดขึ้นแต่ผู้รู้เขาก็เห็นว่ามันเช่นนั่นเองเครื่องดนตรีเพลงอะไรต่างๆที่มันประสานเสียงกันและสมมติกันว่าไพเราะถูกชวนให้โง่ให้หลงว่าไพเราะแต่ผู้รู้มันก็เห็นว่า เช่นนั่นเองอ่ะมันเช่นนั่นเองอ่ะทีนี้ที่มันไม่ไพเราะที่มันฟังแล้วมันําคาญหูมันก็เช่นนั่นเองอีกเหมือนกันเพราะมันประกอบขึ้นด้วยลักษณะอย่างนั้นจึงํำคาญหูถ้าว่ามันเห็นเช่นนั่นเองมันก็ไม่รู้สึกลงไหลในเสียงที่ไพเราะมันก็ไม่ํำคาญในเสียงที่ไม่ไพเราะ มันก็อยู่ได้โดยไม่ต้องเป็นโรคประสาทถ้ามันค่อยพอใจในส่วนที่มันสวยหรือไพเราะแล้วไม่พอใจในส่วนที่ไม่สวยไม่ไเราะมันก็ขึ้นๆลงๆฟูๆแ ฟ, ฟบๆไม่ที่สุดมันก็ต้องวิปริตในทางจิตใจเอาเอาเช่นนั้นเองมาคุ้มครองว่าอย่าไม่อย่าให้มันขึ้นขึ้นลงๆ ทางจมูกหอมก็เช่นนั่นเองเหม็นมันก็เช่นนั่นเองถ้าศึกษาวิทยาศาสตร์ก็รู้ว่ามันเป็นแต่ความต่างกันของอปริมาตรของแก๊สที่มากระทบกันเข้ากับประสาทในจมูกในลักษณะที่หนาหรือบางกว่ากันเท่านั้นถ้าหนาหรือบางพอดีมันก็หอมถ้ามันหนามากเกินไปมันก็เหม็น ถ้ามันบางเกินไปมันก็ไม่มีกลิ่นนั้นหอมหรือเหม็นมันก็เช่นนั่นเองไม่มีอะไรมันหลอกให้รักที่ว่ามันหอมหรือมาเกลียดที่ว่ามันเหม็นมันก็ปกติอยู่ได้ที่นี่ลิ้นอะไรใส่ปากเที่ยวอร่อยมันก็ยินดีไม่อร่อยมันก็ขัดใจมันก็เหมือนกับคนบ้า เดี๋ยวมันอร่อยเดี๋ยวมันไม่อร่อยเดี๋ยวมันก็ยินดีเดี๋ยวก็ยินร้ายเดี๋ยวก็ขัดใจมันจะมันรู้ว่าอร่อยก็เช่นนั่นเองคือมันพอดีกันข้าวกับไอ้จำนวนของประสาทที่ลิ้นที่มันรับรสนั่นมันก็อร่อยมันมากไปหรือน้อยไปมันก็ไม่อร่อยนั้นที่ไม่อร่อยมันก็คือเช่นนั่นเองที่อร่อยมันก็คือเช่นนั่นเอง มีปัญญากันสักหน่อยก็จะมองเห็นว่าเออมันเช่นนั่นเองในทางลิ้นให้มันก็หมดปัญหาไปไม่มีอะไรมาหลอกทางลิ้นให้งโง่ให้ลงในความอร่อยหรือความไม่อร่อยที่นี่มาถึงทางผิวหนังความนิ่มนวลมันก็ชวนให้รักให้พอใจ ความอยากกระด้างมันก็ไม่รักไม่พอใจมันก็ยินดียินร้าย <c oughs> ที่ถ้ามารู้สึกว่าความนิ่มนวลมันก็เช่นนั่นเองคือมันทำให้สัมผัสที่ผิวหนังรับความรู้สึกในปริมาณที่มากมันก็รู้สึกนิ่มนวลของอ่อนของเปียกมันก็ทำให้เกิดความรู้สึกได้มากมันก็รู้สึกนิ่มนวลของแข็งของกระด้างมันรู้สึกได้น้อ มันก็ว่าหยาบไม่ก็ไม่สบายแล้วก็มองเห็นว่ามันเช่นนั่นเองไอ้ที่นิ่มนวลชวนสบายก็เช่นนั่นเองที่มันกร่าง ร, ค า, ร, ราคาญระคายมันก็เช่นนั่นเองมันหายโง่อย่างนี้ที่มีแม้แต่ความรู้สึกที่มันจะเกิดขึ้นทางใจเสียงอะไรก็ตามที่ได้มากระทบใจแล้วทำให้ใจหมุนไปตามสิ่งที่มากระทบนั้น ยินดีบ้างยินร้ายบ้าง ย, ยินดีมันก็เช่นนั่นเองมันต้องเกิดความยินดีขึ้นเช่นนั่นเองตามธรรมดาของคนที่มีอวิชชามันก็ต้องยินดีหรือมันก็ยินร้ายในส่วนนี้ทำห้ยินร้ายถ้ายินดีก็คือเช่นนั่นเองยินร้ายก็คือเช่นนั่นเองสรุปความแล้วก็ให้รู้ว่ามันเป็นความรู้สึกเท่านั้น ฉันรู้สึกทางตาว่าสวยแม่คนนี้สวยพ่อคนนี้สวยมันก็ความรู้สึกเท่านั้นไม่สวยมันก็คือความรู้สึกเท่านั้นที่มองดูลงไปที่ว่ามันเป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้นที่เรารู้สึกทางตาทางลูกตาเนี่ยเห็นเป็นสวยแล้วก็รักเห็นไม่สวยก็เกลียดเนี่ยมันเป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้นถ้าเห็นว่ามันเป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้นมันก็ ไม่มีอะไร <c oughs> มันก็เช่นนั่นเองเรื่องทางหูไพเราะหรือไม่ไพเราะเรื่องทางจมูกหอมหรือเหม็นทางลิ้นอร่อยหรือไม่อร่อยทางผิวหนังนิ่มนวลหรือกระด้างถ้ารู้ถึงความเป็นชนนีความจริงของมันแล้วมันก็รู้สึกว่ามันเป็นเพียงความรู้สึกเป็นเพียงความรู้สึกที่ตาที่หู ที่เจ้หมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจว่ามันเป็นเพียงความรู้สึกช่วยจำไว้ชั้นหนึ่งว่าที่ว่าเช่นนั่นเองนั่นก็เพราะว่ามันเป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้น <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นอจะต้องเอาเช่นนั่นเองมาช่วยในทุกกรณีขจัดปัดเป่า ความรู้สึกที่จะทําให้รักหรือให้เกลียดให้ยินดีหรือให้ยินร้ายนั่นออกไปเสียให้หมดนี่เป็นเรื่องทั่วไปในประจำวันเรายังมีตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่และวันหนึ่งวันหนึ่งก็ต้องเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นรสสัมผัสสัมผัสทางกายคิดนึกทางใจอยู่มากมายหลาย สิบหลายร้อยเรื่องให้มันรู้ฝึกทันท่วงทีด้วยสติว่ามันเช่นนั่นเองมันเช่นนั่นเองไม่มีอะไรมาหลอกให้หลงยินดีหรือหลงยินร้ายให้หลงรักหรือหลงชังได้เนี่ยโดยทั่วไปในชีวิตของคนเราเป็นประจำวันนั่นมันมีเรื่องทำให้รักหรือให้ชัง ถ้าพอเช่นั่นเองได้นั้นก็ไม่ต้องมีเรื่องรักเรื่องชังมันจึงเฉยได้มันจึงปกติได้มันจึงไม่มีความทุกข์ถ้าเฉยไม่ได้ก็ไปหลงรักไอ้ที่มันชวนให้รักเมื่อไม่ได้ของรักมันก็พยายามไม่ว่าโดยการกระทําความชั่วทุจริตเป็นอันธพาลเพื่อจะได้ได้ของรัก อาชญากรรมที่เลวร้ายมันก็เกิดขึ้นในหมู่คนเหล่านี้คือ ใ, ในหมู่คนอันธพาลถ้ามันหลงรักมันก็จะเอาให้ได้หลงเกลียดมันก็จะฆ่าให้ตายมันจึงมีอาชญากรรมเลวร้ายทั่วไปทุกหัวระแหงโดยบุคคลที่ไม่มีความรู้นถูกต้องว่านี่มันเช่นนี้เอง ที่น่ารักก็เช่นนี้เองที่น่าเกลียดก็เช่นนี้เองทั้งทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสทางโปรดทัพพระทางทางธรรมารม่เนี่เป็นเรื่องคุ้มครองไม่ให้มีกิเลสไม่ให้มีกิเลสไม่เกิดเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทแล้วเป็นทุกข์ <c oughs> มันมีใจความสาคัญอยู่ตรงที่ว่าให้มองเห็นชัดลงไปว่ามันเป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้นที่คนธรรมดาสามันเป็นบุูตชนมันก็บูชาความรู้สึกทางเพศเพศตรงกันข้ามบริโภครสของเพศ ต, ตรงกันข้าม โดยความลงไหลบูชาความลงไหลในรถของเพศตรงกันข้ามนั่นแหละทาให้เกิดเรื่องแทบจะทุกเรื่องในโลกนี้เ น, เนื่องกันไปจากสิ่งนี้หรือเฉพาะเรื่องก็ได้เฉพาะคู่เฉพาะคนก็ได้ความไม่รู้จากสิ่งนี้ตามที่เป็นจริงว่ามันเช่นนั่นเองมันก็ลหลงไหล ความรู้สึกในรสทางเพศมีความกระสันรุนแรงปูกมัดจิตใจรุนแรงเห็นเป็นสิ่ง เ, เสรศเลิศเนื้อสิ่งใดจนกระทั่งว่าทาอะไรไปทุกอย่างนี่ก็เพื่อความรู้สึกทางเพศ mm. เพื่อจะได้รับรสความสุขที่เกิดมาจากเพศตรงกันข้ามนี่เข้าใจว่าทุกคนคงจะรู้จักได้ดีไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากนัก มันก็เลยได้เป็นทาตเป็นบาวเป็นขี้ข่าเป็นขี้ข้าทาตุนะของสิ่งที่ตัวรักเพราไม่ได้มองเห็นว่าความรักนั่นมันเป็นเช่นนั่นเองแล้วเช่นเดียวความเกลียดมันก็เป็นเช่นนั่นเองถ้าเห็นเช่นนั่นเองแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่ต้องไปรักไปหลงไม่มีอะไรที่ต้องไปเกลียดไปจนข่าเขาตาย ไม่หึงไม่หวงไม่อะไรทุกอย่างทุกประการเพราะว่ามันเห็นความเป็นเช่นนั่นเองที่เป็นรสสูงสุดในทางเพศมันก็ว่าเช่นนั่นเองมันมองเห็นว่าเช่นนั่นเองไอ้เช่นนั่นเองเนี่ยมันกลายเป็นว่าเท่านั่นเองมันแค่นั่นเองในที่สุดมันไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นคือมันเป็นเพียงความรู้สึกเท่านั่นเอง ความรู้สึกสูงสุดในทางเพศไม่มีใครเก่งพอที่จะมองเห็นว่ามันเช่นนั่นเองมันคนบูทุชนธรรมดาจึงลงลายในความรู้สึกทางเพศแล้วก็มีเรื่องตามมาอีกมากมายมีปัญหาตามมาอีกมากมายเพราะมันไม่รู้ว่ามันเช่นนั่นเองที่นี่เรื่องที่มันใหญ่ใหญ่หยาบหยาบมันก็อย่างนั้นแหละ เช่นว่ามันได้อย่างใจมันได้กําไรมันก็หลงไหลเหมือนกับเป็นบ้ามันไม่มองเห็นว่าเช่นนั่นเองเมื่อขาดทุนมันก็เสียใจเหมือนกับจะเป็นบ <terrorist. S 1> ้ามันก็ไม่รู้สึกว่ามันเช่นนั่นเองไอ้คนที่มีปัญญาเพียงพอมันจะเห็นว่าไอ้ขาดทุนมันก็เช่นนั่นเองไอ้กาไรมันก็เช่นนั่นเองเขาจึงไม่มีจิตใจที่ขึ้นลงฟูแฝบ ไปตามนั้นมันก็ปกติมันก็สบายที่คำคำว่าเช่นนั่นเองนะี่มันมีได้ทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายผิดและฝ่ายถูกเราก็รู้เช่นนั่นเองฝ่ายผิดจะ แ, แล้วก็ทำเช่นนั่นเองฝ่ายถูกให้มันเกิดขึ้นมันมีกดของความเป็นเช่นนั่นเองทั้งฝ่ายที่พึงปรารถนาและไม่พึงปรารถนา เราก็รู้จักใช้ความเป็นเช่นนั่นเองให้มันถูกต้องไปในทางที่ควรปรารถนาเาช่นจะทำไร่ทำนาหาเงินหาทรัพย์สมบัติมันมีความเป็นเช่นนั่นเองสำหรับการกระทำก็กระทำให้ถูกมันก็ได้มาถ้าไม่ถูกเรื่องของเช่นนั่นเองในส่วนนั้นมันก็ไม่ได้มา ทีนี้มันถึงล่าวที่มันจะต้องเสียไปเพราะความผิดพลาดอย่างไรมันก็ไม่ต้องเสียใจเพราะมันเป็นเช่นนั่นเองด้วยเหมือนกันนันจะได้กำไรหรือจะขาดทุนมันก็ไม่มีอะไรที่ทำให้จิตใจเป็นทุกข์หรือว่าผิดปกติถ้ามันขาดทุนมันก็ทำใหม่ได้โดยกดของความเป็นเช่นนั่นเองในทางที่จะให้ได้กำไรรู้จักใช้ความเป็นเช่นนั่นเอง ให้ถูกต้องแก่ฝ่ายที่ควรกระทําแม้ฝ่ายที่ไม่ควรกระทําอยากจะละเสียก็ต้อ ง, อ ง, องทําให้ถูกต้องต่อความเป็นเช่นนั้นเองของฝ่ายนั้นเรีก่ก็ความเป็นเช่นนั้นเองมาเป็นกฎที่ที่สูงสุดเหมือนกับว่าเป็นพระเจ้า ให้ความเป็นเช่นนั่นเองเป็นไปตามกฎของธรรมชาติเหมือนกับพระเจ้าเราฝืนเราแก้ไขไม่ได้พระพุทธเจ้าก็แก้ไขกฎเหล่านี้ไม่ได้มันเป็นเช่นนั่นเองเรารู้จากความเป็นเช่นนั่นเองแลวเอามาใช้ถูกต้องมันก็ก็จะได้รับสิ่งที่ควรจะได้รับแล้วอยู่กันเป็นผาสุขความเป็นเช่นนั่นเองนั่น มัน เ, เป็นสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งโดยความหมายขอให้พยายามศึกษาเรื่อยๆไปต่อๆไปจนกว่าจะเข้าใจเดี๋ยวนี้เพียงแต่เอามาแขวนคอไว้ก่อนแล้วก็ศึกษาต่อไปต่อไปจนเห็นความเป็นเช่นนั่นเอง เต็มที่อของพระใจรักก็ดีของอริยสัจสี่ก็ดีของอิทัพปัจเยตาก็ดี <c oughs> ที่นี่ที่จะจะชื่อเห็นว่ามันเป็นเรื่องตั้งแต่เบื้องต้นต่ำๆเนี่ยจนถึงเบื้องปลายคือสูงสุด เราจะต้องมีอะไรที่ต้องเป็นไปตามธรรมดาที่ของผู้ที่อยู่ในโลกนี้ <c oughs> ที่เราจะจ ะ, จะลีกไม่พ้นจะยกตัวอย่างเช่นว่าความเจ็บปวดในทางกายทุกของมีคมบาด หรือว่าถูกอะไรเป็นแผลแล้วก็เจ็บปวดถูกน้าเกี่ยวเลือดไหลก็เจ็บปวดแต่ไม่มีใครนึกว่ามันเช่นนั่นเองมันนึกว่ากูเจ็บกูเจ็บกูจะตายอพอรู้สึกเป็นธรรว่ากูเจ็บกูจะตายไอ้ความปวดมันก็มากขึ้นด้วยอำนาจของอุปาทานที่ยึดถือในตัวกูที่เจ็บหรือจะตาย <c oughs> แต่ถ้าใครได้รับการศึกษาหัวใจพุทธศาสนามาก็รู้สึกอ้าวไอท้ที่น้ำมันเกี่ยวเนี่ยมันเป็นธรรมดามันเช่นนั่นเองแล้วพอมาเกี่ยวเลือดไหลมันก็ต้องรู้สึกเจ็บไอเจ็บนั่นก็เช่นนั่นเองมันต้องเจ็บเช่นนั่นเองที่ว่าเจ็บเจ็บนี่ยมันเป็นแต่เพียงความรู้สึก เท่านั้นแหละเจ็บเจ็บเจ็บเจบเจ็บนี่เป็นเพียงความรู้สึกตามกฎของธรรมดาเท่นั้นแหละควบคุมความรู้สึกต้องใจว่าให้มันหยุดอยู่ที่นี่พราว่ามันเป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้นแหละไม่ใช่เรื่องที่ว่ากูจะตายความคิดว่ากูเจ็บกูจะตายนั่นใหญ่โผล่ขึ้นมามันจะเป็นเพียงเจ็บ ที่ร่างกายเพราะว่าถูกน้ำเกล่ยวแต่ถ้ามันโง่มันก็จะปล่อยความคิดความรู้สึกเลยไปถึงว่ากูเจ็บแล้วกูจะตายนี่คือเกิดอุปาทานยึดตัวกูยึดของกูมันก็เจ็บมากเกี่ยวกับข้อนี้พระพุทธพระพุทธเจ้าท่านตรัสเป็นอุปมาสำหรับศึกษาหรือจดจำง่าย ว่าเหมือนกับคนที่แรกมันถูกลูกศอนลูกเล็กๆแทงมันก็เจ็บนิดเดียวอ่ะเดี๋ยวก็มีลูกศอนดอกใหญ่อาบยาพิษด้วยทีนี้ดอกสรก็ใหญ่แล้วก็อาบยาพิษด้วยมาก็แทงมันก็เจ็บมากดอกสอนเล็กๆเมื่อเข็มแทงมันก็ไม่มีความหมายอะไร ถ้าดอกซรใหญ่อาบยาพิษด้วยมันก็เจ็บมากมากกว่ากันมากหลายเท่านี่ก็คือว่าถ้าเรารู้สึกความเจ็บเพราะน้ําเกี่ยวน้ําแทงก็รู้สึกว่าเจ็บเท่านั้นนะไอ้ความคิดอย่าเลยไปถึงว่ากูจะตายถ้าไปคิดถึงว่ากูจะต้องตายเพราะมันเป็นพิษเพราะมันเป็นอะไรต่อไปจะตายนี่มันก็เจ็บมากเพราะุปาทานว่า กูรือว่าความตายของกูมันก็เจ็บมากนี่คือคนที่ไม่มองเห็นว่ามันเช่นนั่นเองมันก็เลยเห็นเป็นทางว่ากูเจ็บกูจะตายตมันก็มีความทุกข์มากพี่ถ้าว่าเจ็บแล้วก็เพ่งลงไปที่ความเจ็บทําในใจว่าอ้าวนี่มันเจ็บนี่มันความเจ็บ อย่าให้เลยไปถึงครูตัวคูคูเจ็บให้หยุดอยู่วันนี้มันเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บเนาะเจ็บเนาะก็ได้ถ้าใช้หนอช่วยก็ได้มันก็จะเจ็บน้อยแล้วไม่เคยค่อยจางออกจางออกความเจ็บนั้นจะจางออกถ้าเราไปพิจารณาเห็นรู้สึกเจ็บเท่านั้นเองรู้สึกเจ็บเจ็บเท่านั้นเองเจ็บเท่านั้นหนอเจ็บเท่านั้นเองหนอมันก็เจ็บน้อย จะมองเห็นให้ลึกกว่านั้นน่อยโอ้นี่มันเพียงความรู้สึกเท่านั้นโว้ยไอ้ที่เรียกว่าเจ็บเจ็บเจ็บนี่ยมันคือความรู้สึกเท่านั้นความรู้สึกตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติธรรมดาไอ้ความเจ็บนี่เป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้นเพราะมันรู้สึกมันจึงเจ็บก็เห็นความเจ็บนั้นไม่มีไม่มีความเจ็บเป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้นนี่สติปัญญามันไปได้ถึงอย่างนี้ มองเห็นเป็นเพียงความรู้สึกของประสาทเท่านั้นมันก็จะหายเจ็บมันจะเจ็บน้อยจนไม่เจ็บฉะนั อ, อะไรมากระทบรู้สึกก็ขอให้มีปัญญาในชั้นนี้ว่ามันสัตว์ว่าความรู้สึกสมมติปวดหัวกันดีกว่าซึ่งมักจะเป็นกันง่ายๆบ่อยๆทุกคน พอปวดหัวความคิดมันแล่นไปกูจะตายแล้วได้ยินได้ฟังมาอย่างนั้นอย่างนี้จะเป็นโรคนั้นโรคนี้จะต้องตายอย่างนี้ก็ยิ่งเจ็บหนักข้าวและมีทุกข์ทรมานมากถ้าปวดหัวก็รู้สึกว่ามันปวดหัวเท่านั้นมันปวดหัวเท่านั้นเนาให้เลยไปถึงกูจะตายมันปวดเท่านั้นหนอ นี่มันจะลดลงไอ้ความเจ็บมันจะลดลงไอ้ที่ว่าปวดปวดปวดนี่มันความรู้สึกเท่านั้นหนอเพราะมันมีความรู้สึกเท่านั้นหนอจึงเห็นแต่อ่ามันนี่มันเพียงความรู้สึกเท่านั้นหนอเห็นเป็นความรู้สึกเท่านั้นหนอแล้วมันก็เจ็บน้อยลงไปอีกกระทั่งมันไม่เจ็บเนี่ยสติฝึกไว้ดีปัญญา ก็มีมากพอสติกับปัญญามาใชา้พิจรารณาทันท่วงทีว่าเอ้นี่มันเพียงความเจ็บเท่านั้นหนาแล้วความเจ็บนี่มันเป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้นหนอะแล้วก็จะเห็นว่าอ้ามันเช่นนั้นเองแต่พอเช่นนั้นเองเข้ามาแล้วความเจ็บความอะไรจะหายไปหมดเพราะจิตมันเปลี่ยนไปหมด ก า, การที่จะคมขีเวทนาคมขีความเจ็บนี่มันได้โดยใส่ยาขนาดที่เรียกว่ามันเช่นนั่นเองถ้าเช่นนั่นเองมาแล้วก็จะไม่มีไม่มีปัญหาจะไม่มีความเจ็บปวดจะไม่มีเรื่องทอรมานใจจะไม่ต้องเป็นโรคประสาทจะไม่ต้องเป็นโรค นานาชนิดที่เเป็นกันอยู่เพราะว่ามันทรมานใจแล้วมันก็ต้องเป็นหลายโรคอ่ะเมื่อจิตใจมันทรมานอยู่ด้วยความกลัวความวิตกกังวลแล้วมันก็ต้องเป็นโรคกระเพาะเสียเรือดรังมันจะต้องเป็นในโรคกระสับนอนไม่หลับโลหิตกระถ้อยกำลังไม่สามารถจะควบคุมความปกติของร่างกายมันก็จะเป็นมะเร็งเป็นอะไรก็ได้ อย่างน้อยมันใช้น้ำตาลไม่หมดมันก็เป็นโรคเบาหวานนาน า, น า, นานโรคมันก็เกิดขึ้นเพราะว่าจิตมันได้เสียไปได้วยความโง่มันไม่รู้จักความเป็นเช่นนั่นเองนิดเดียวเท่านั้นแหละถ้ารู้จักมันเป็นอย่างนี้เองมันเป็นอย่างนี้เองเอย่างนี้เอ ง, อ ง, นเอ ง, ห, นงหนักๆก็ไป <c oughs> จิตใจมันก็จะคงที่มันจะป ก, กติ ก็ไม่เปิดโอกาสให้เกิดโรคทางจิตใจโรคทางจิตใจไม่เกิดมันก็ไม่เกิดโรคทางกายเราแยกโรคกระเพาะเสียเรือดรังหรือว่าโรคเบาหวานโรคความดันสูงอะไรไว่าเป็นเรื่องทางกายถ้าก็มองเห็นว่ามันมาจากเรื่องทางใจที่มาทำให้ ปกติภาวะของโลหิตหน้าที่การงานของโลหิตหรือของส่วนต่างๆที่มันเกี่ยวกันกันกบโลหิตมันเสียไปหมดระบบประสาทก็เสียไปตามอะไรก็เสียไปหมดเนี่ยเช่นนั่นเองอ่ะมันจะแก้ได้มันจะไม่ทำให้เกิดความวิปริตในทางจิตอย่างที่ว่ามาและความวิปริตทางกายมันก็ไม่เกิดขึ้น มันจึงมีความสุขสบายดีทั้งทางกายและทั้งทางจิตเพราะว่าได้เอาหัวใจของพระพุทธศาสนามาใช้เป็นยาแก้โรคหรือมาใช้เป็นเครื่องรางแ <c> ข <oughs> <c oughs> วนไว้ป้องกันตัวหัวใจของพระพุทธศาสนานคือคําว่าตาตารืเช่นนั่นเอง เอามาใช้ในทุกกรณีอาตมาจะยืนยันเดี๋ยวนี้ว่าเช่นนั่นเองเนี่ยแก้ปัญหาได้ทุกกรณีเรื่องโครคภัยไข้เจ็บก็ได้เรื่องปัญหาทางปากทางท้องทางอะไรก็ได้ทางการเมืองก็ได้กระทั่งว่าในภายในจะเป็นเรื่องบรรลุมรควนิพานก็ยังได้ได้โดยคาคำเดียวว่าเช่นนั่นเองกลัวแต่ว่าเขาไม่รู้จกักเขาไม่เข้าถึง มันไม่อาจจะใช่เช่นนั่นเองให้เป็นประโยชน์ได้จึงขอให้ทุกคนสนใจในสิ่งที่เรียกว่าเช่นนั่นเองซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาอะไรเกิดขึ้นก็ต้องมีความรู้สึกทันควันว่ามันเช่นนั่นเองแม้ที่สุดแต่ว่าคนที่มีปัญหาเรื่องผีหลอก ก็มันไม่รู้จักความเป็นเช่นนั่นเองของความรู้สึกถ้ามันรู้ทันมันก็รู้ว่ามันเป็นเพียงเช่นนั่นเองความรู้สึกความโง่ทีาไม่เห็นเป็นผีหลอกหรือแม้ที่สุดแต่ว่าผีมันหลอกจริงไงถ้ามันมีจริงแล้วมันหลอกจริงมันก็ยังแก้ได้โดยเช่นนั่นเองแต่ละมาไม่เชื่อว่าผ e ีมี ok จริงหรือหลอกจริงไม่เคยเห็นและไม่เชื่อ แต่ถ้ามันเกิดการกลัวผีขึ้นมามันก็รู้ทันทีทีว่านี่มันเช่นนั่นเองความโง่มันแสดงบทบาทออกมาแล้วทำไมรู้สึกว่ามันเป็นผีและมันหลอกแต่ถ้ามันรู้จักไอความเป็นเช่นนั่นเองว่ามันจะต้องเกิดอย่างนี้จะต้องเกิดรู้สึกอย่างนี้แล้วมันก็ไม่กลัวมันก็เป็นเพียงความรู้สึกมองเห็นว่าเป็นความรู้สึกบ้าบ้าอบๆในชนิดหนึ่ง แม้ว่ามันจะมีขนลุกซาไปด้วยความกลัวมันก็ยังรู้สึกว่านี่มันเช่นนี้เองมันเช่นนี้เองมันเท่านี้เองเป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้นไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นดังนั้นจะเป็นจะตายจะอะไรก็ตามมันเป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้นจงดูเห็นว่ามันเป็นเพียงความรู้สึกรู้สึกทางเวทนาก็ได้รู้สึกทางสัญญาก็ได้แต่ที่มันเป็น กรรมากแล้วมันเป็นรู้สึกทางเวทนาแต่เห็นเวทนาว่ามันเป็นอย่างนี้เองตามกฎของปฏิจจสุบาทแล้วมันก็ไม่มีไม่มีกาลังอะไรไม่มีความหมายอะไรไม่มีฤทธิเดชอะไรที่จะทำให้เราเป็นทุกข์หรือเป็นสุขจะเป็นเรื่องของสัญญากัหมันการเกิดขึ้นทางจิตเป็นธรรมารมจำได้แล้วก็นึกขึ้นมาแล้วก็เสียใจแล้วก็ร้องไห้หรือกลัวขึ้นมา คนโงโง่พอนึกถึงผีมันก็ขนลุกเท่านั้นแหละไม่ต้องมีอะไรเนี่ยความที่มันโง่เกินไปมันไม่รู้เรื่องความเป็นเช่นนั่นเองอที่ว่าสัญญาทําให้เกิดความกลัวขึ้นมาแต่ถ้าเขามันรู้ถึงหัวใจของธรรมะมันจะรู้ว่าอ้าวมันเช่นนั้นเช่นนี้เองไอ้กลัวจนขนลุกซามันก็อ้าวมันก็เช่นนี้เองมันเป็นความรู้สึกที่มากเกินไป แล้วมันก็เป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้นนั่นคอยเอาไปจับกับเรื่องทุกเรื่องที่มันเป็นความทุกขไม่ว่าความทุกชนิดไหนที่บ้านที่เอือนที่วัดเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ เ, เรื่องทุกเรื่องที่มันมันที่มันเกี่ยวกับมนุษย์เพราะว่าไอ้ความทุกขหรือความสุขมันเป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้นเองถ้าเราเห็นว่ามันเป็นเพียงความรู้สึกเราก็มายินดีในความสุข และไม่เกลียดกลัวในเรื่องความทุกข์คือไม่ยินดียินร้ายในเรื่องของความทุกข์หรือความสุขเดี๋ยวนี้มันโง่เกินไปมันไม่เห็นว่าเช่นนั่นเองจนเกิดปัญหาเกี่ยวกับโลกกะระทโล ก, ก ร, รมน่ได้ลาบเสริมลาบได้ยศเสริมยศได้นินทาได้สันเซริญได้ทุกข์ได้สุข กลายเป็นของต่างกาันไปได้ลาบก็ยินดีเสื่อมลาบก็ยินร้ายนี่มันบ้าเพราะมันไม่เห็นว่ามันเช่นนั่นเองมันต้องเป็นเช่นนั่นเองด้วยและที่ได้มาก็คือเช่นนั่นเองลาบก็คือเช่นนั่นเองไม่เสื่อมลาบก็เช่นนั่นเองตามกฎของอิทัพปัจจิตามันเป็นเช่นนั่นเอง แล้วมันเป็นเพียงความรู้สึกเทนั้นที่เรารู้สึกขึ้นมาว่าเราได้ลาบแล้วก็บ้าไปตามแบบได้ลาบแล้วเรารู้สึกว่าเราเสียลาบสูญลาบเราก็บ้าไปตามความรู้สึกว่าเราสูญเสียลาบไม่มองดูที่มันเป็นเพียงสักว่าความรู้สึกเท่านั้นเองเช่นนั้นเองและมันต้องเป็นอย่างนี้เองในโลกนี้พอเห็นอย่างนั้นเองเช่นนั้นเองมันก็ไม่มีปัญหาเรื่องได้ลาบหรือเสื่อมลาบ เรื่องได้ยศหรือเสื่อมยศก็เหมือนกันอีกถ้าเช่นนั่นเองเข้ามาแล้วมันไม่มีเรื่องได้ยศหรือเสื่อมยศมันเป็นเรื่องหลอกหลอกเหมือนกันแหละเป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้นที่ไปถือความหมายความรู้สึกมากเกินไปมันก็ต้องได้มีเรื่องยินดียินร้ายนินทาหรือสรรเสริญก็ลองไปคิดดูซึ่งมันมีมากยากที่จะหลบลีกถูกนินทาหรือถูกสรรเสริญจเนเลิศลอย ถูกก้อนสันเสริญกับตัวรอยฟุ้งเฟอ้อไปถูกเก้อนินทาด่าว่าก็มาขัดใจโกรธแค้นอยู่เหมือนกับคนบ้า <c oughs> ได้รับสันเสริญก็บ้าไปอย่างได้รับนินทาก็บ้าไปอย่างนี่เพราะมันไม่รู้ว่ามันเป็นเช่นนั่นเองคือว่าในโลกต้องเป็นเช่นนี้เองอแล้วนินทาก็เป็นสักว่าความรู้สึกสันเสริญก็สักว่าความรู้สึกก็เลยเป็นเช่นนั่นเองใยกันทั้งสองฝ่าย มันเหมือนกันที่ว่ามันเป็นเช่นนั้นเองแล้วเราทำไมไปแยกมันให้แตกต่างกันอย่างตรงกันข้ามให้รู้สึกว่ามันเป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้นนี่เช่วยจาไว้ดีว่าอะไรอะไรเกิดขึ้นก็ให้มันรู้สึกได้ว่ามันเป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้นเนาะมันเป็นเพียงความรู้สึกแห่งจิตเท่านั้นเนาะ เรื่องดีเรื่องบ้าเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องรวยเรื่องจนเรื่องอะไรก็ทุกเรื่องละมันเป็นเพียงความรู้สึกของจิตเท่านั้นหนอเพราอเห็นเป็นความรู้สึกเท่านั้นหนอมันก็หยุดหยุดเป็นทุกข์ทันทีนี่ธรรมะที่เป็นสุญญตาเป็นอนัตตาเป็นตถาตามันดับทุกข์ได้อย่างนี้ทุกระดับ ทุกเลวๆโง่ๆมันก็ดับได้ทุกที่สูงขึ้นไปก็ดับได้ทุกสูงสุดละเอียดประ น, นีที่สุดมันก็ดับได้จนกระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพานเพราะนั <c> ้น <oughs> อยู่ที่ในโลกนี้เป็นคนธรรมดาสามัญทำไรทำนาหาปูหาปลากินไปวันหนึ่งก็จะขอให้รู้จักคำว่าเช่นนั่นเองแล้วมันจะไม่มีความทุกข์ ถ้าเป็นปัญญาชนก็ยิ่งจะต้องรู้ใหามันมากขึ้นไปอีกว่ามันเป็นเช่นนั่นเองทั้งนั้นแหละไม่ว่าไม่มีอะไรที่จะไม่ใช่เช่นนั่นเองถ้ามาอย่างนั้นแล้วพระพุทธเจ้าต้องตัดไว้ผิดแนะ่ <c oughs> ยินี้เมือ่อพระพุทธเจ้าท่านตัดไว้ถูกต้องแล้วมันก็เป็นตามนั้นคือว่าทุกอย่างมันเป็นเช่นนั่นเองไปตามที่เรื่องมันจะเป็นโดยเฉพาะก็เพ่งแรงไปยังเรื่อง อ, อิทัปปเจตาปฏิจจะสมุปบาท มันจะต้องเป็นอย่างนั้นเองฝนตกมาก็ไม่แปลกฝนไม่ตกก็ไม่แปลกแดดออกมาก็ไม่แปลกแดดไม่ออกก็ไม่แปลกนี่เป็นอิทัิปัจจิตาง่ายๆฝ่ายวัตถุตดำๆแต่คนโง่มันก็ยังมีจิตใจหวั่นไหวไปตามที่ฝนตกฝนไม่ตกแดดออกแดดไม่ออกอะไรต่างๆนา น, นาเป็นธรรมชาติธรรมดาตื่นๆง่ายๆนี่มันมีจิตใจเปลี่ยนไป ขึ้นลงมากจนได้ยินดียินร้ายนะยินดีก็บ้าชนิดหนึ่งยินร้ายก็บ้าชนิดหนึ่งดีใจก็บ้าชนิดหนึ่งเสียใจมก็บ้าชนิดหนึ่งล้วนแต่ทาให้มันเกิดวิปริตแกจิตแกะระบบประสาทโดยกันทั้งนั่นแหละเรามารู้เรื่องนี้ <c oughs> ก็ไม่มีอะไรที่ทำให้หวันไว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่มันมีอยู่ประจำวันเช่นวันนี้กินข้าวไม่อร่อยมันก็วันไหวไปแล้วบันไหวทางที่ไม่อร่อยชักจะเศร้าไปแล้ววันนี้กินข้าวขค็มมันอร่อยก็ชักจะยินดีแะ้วจะเจริญไปแล้วนี่มันมันโง่เพราะมันไม่รู้จักว่ามันเช่นนั่นเองมันต้องเป็นเช่นนั่นเองอร่อยหรือไม่อร่อยก็เช่นนั่นเอง คือเป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้นและมันจงเป็นเช่นนั่นเองตรงที่มันจะต้องมีอร่อยบ้างไม่มีอร่อยบ้างต้องมีทั้งอร่อยแต่ทั้งไม่อร่อยนี่ท่ในโลกนี้มันต้องมีสิ่งที่เป็นคู่คู่คู่คู่กันอย่างนี้แหละได้ลาบเสืม่มลาบได้ยอดเสื่อมยศดได้นินทาได้สนเสริญได้สุขได้ทุกมันมีคู่ตรงกันข้ามให้มากระทบเราอยู่ในโลกนี้เป็นของเช่นนั่นเองที่ขั้นมากระทบกันแล้วมันก็เห็นเช่นนั่นเอง ว่าเป็นเพียงความรู้สึกเนี่ยก็ให้ช่วยกันเอาไปคิดนึกให้เข้าใจแจ่มแจ้งอยู่ในใจรล่าก็ว่าแขวนไหว้ที่คอแขวนไหว้ที่คอมันคือมันอยู่กันเนืกันตัวตลอดเวลานี่ให้เรารู้สึกนึกคิดได้ตลอดเวลาเหมือนกับแขวนไหว้ที่คอ นั่มาให้พระเครื่องไปแขวนไว้ที่คอทุกคนคือคําว่าเช่นนั่นเองเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเอาหัวใจของพระพุทธศาสนามาแจกกันเป็นพระเครื่องสาหรับแขวนคอมถ้าใครเช่นนั่นเองไม่ได้เพราะก็คือคนโง่อะไรเกิดขึ้นมันเช่นนั่นเองไม่ได้มันก็คือคนโง่ มันจะต้องยินดียินไรตลอดเวลานี่เอาไปคอยกำหนดดูตัวเองว่ามันเป็นอย่างไรแล้วก็แจกไปตามเรื่องตาหูจมูกลิ้นกาใจ <c oughs> สบายแก่ตาไม่สบายแก่ตาสบายแก่หูไม่สบายแก่หู สบายแกจะมูกไม่สบายแก่จะหมูกสบายแก่ลิ้นไม่สบายแก่ลิ้นสบายแก่ผิวหนังไม่สบายแก่ผิวหนังสบายแกจิตใจไม่สบายแกจิตใจนี่ทั้งหกคู่นี่มันเช่นนั่นเองเหมือนกันหมดเลยทั้งหกอย่างทั้งอะไรทุกๆคู่ที่มันสบายก็อยากเช่นนั่นเองไม่สบายก็เช่นนั่นเองมันเป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้น มันเอาคำว่าสุขว่าทุกข์ออกไปทิ้งหมดมันเหลือแต่ความรู้สึกเท่านั้นที่มันเกิดขึ้นตามกฎ เ, เหตุปัจจัยคือกฎแห่งความเป็นเช่นนั่นเองคืออิทัปปัจจิตาอร <c oughs> าจมาพูดหลายข้างหลายหนแล้วแต่ก็ยังไม่ไม่แน่ใจว่าท่านทั้งหลายจะฟังออกหรือจําได้หรือเข้าใจจึงบอกแล้วบอกอีกอย่างน่ารําคาญ ว่าเรื่องิทธปัจจานั้นน่ะมันก็คือเรื่องตัทตาแปลว่าเช่นนั่นเองวิตัทตาไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอ น, นัญตตาไม่เป็นอย่างอื่นไปจากความเป็นอย่างนั้นธรรมจิตตทามันเป็นการตั้งอยู่แห่งธรรมดาอย่างนั้นธรรมนิยามตามันเป็นกฎตายตัวของธรรมดาอิทธปัจจตาคือความที่เมื่อสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้ก็เกิดขึ้น อะไรเกิดขึ้นสวยไม่สวยน่ารักไม่น่ารักน่ายินดีไม่น่ายินดีมันก็เป็นสิ่งที่มีเหตุปัจจัยอย่างนั้นแล้วจึงเกิดขึ้นเราก็เห็นเช่นนั่นเองอย่าไปเที่ยวโง่ลงรักที่มันหลอกให้รักไปโกรธไปเกลียดที่มันหลอกให้โกรธให้เกลียดอย่างที่เป็นอยู่ประจําวันมันไม่ปกติมันเหมือนกับถูกตบ แก้มซ้ายทีแก้มขวาทีถูกตบแก้มซ้ายทีถูกต บ, แ ก, กตบแก้มขวาทีอย่างนี้อยู่ตลอดวันเพราะความที่มันไม่ไม่มีหัวใจของพระพุทธศาสนามาคุ้มครองถ้ามีเช่นนั่นเองคุ้มครองมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นจะไม่ถูกตบแก้มซ้ายทีแก้มขวาทีตลอดวันเหมือนที่เขาเป็นเป็นกันอยู่ นี่คือหัวใจของพระพุทธศาสนาสรุปรวมลงในคําว่าอืตาตาแปลว่าเป็นเช่นนั้ น, <c oughs> นคํานี้จะแปลว่าเช่นนี้ก็ได้มันเช่นนี้เองเช่นนั่นเองก็เหมือนกันแหละความเหมือนกันแหละหรือมันเท่านี้เองมันแค่นี้เองมันเช่นนี้เอง ในความหมายมันอยู่ตรงเที่ยวมันไม่แปลกเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เองเจ็บายมันก็เช่นนี้เองหายก็เช่นนี้เองตายก็เช่นนี้เองนั้นไม่มีความแปลกอะไรสําหรับเจ็บไายและสบายดีแล้วก็ไม่แปลกอะไรสําหรับมันจะหายหรือมันจะตายพร้อมเป็นเช่นนี้เองแต่และอย่างในอย่างเป็นเพียงความรู้สึก ยังมองเห็นว่าทุกอย่างมันเป็นเพียงความรู้สึกที่รู้สึกทางตาทางหูทางจามูกทางลิ้นทางผิวหนังและทางใจมันไม่มีอะไรมากไปกว่าความรู้สึกมองเห็นมันเป็นเพียงความรู้สึกก็จะเห็นว่ามันแค่นั่นเองมันเท่านั่นเองมันเช่นนั่นเองออย่าไปโง่หลงยินดียินรักพอใจเสียใจอะไรประมาน ที่จไปจะเอาไปประพฤติกันอย่างไรในเมื่อต้องทำไร่ทำนาค้าขายทำกิจกรรมต่างๆนา น, นาก็ ร, รู้ว่ามันต้องเป็นเช่นนั่นเองขาดทุนก็เช่นนั่นเองกำไรก็เช่นนั่นเองรู้จักเช่นนั่นเองก็ขาดทุนแล้วมันก็ไม่ทำให้ขาดทุนอีกต่อไปรู้จักเช่นนั่นเองก็กาไรแล้วมันก็ทำให้มีกำไรได้ แต่เมื่อได้กําไรมาแล้วอย่าไปบ้าอย่าไปบ้ากับกาไรที่ได้มาให้มองเห็นว่ามันยังคงเป็นเช่นนั่นเองอยู่ตามเดิมนี่หัวใจของพระพุทธศาสนามันทําให้ไม่ยึดมั่นในอะไรโดยความเป็นตัวตนหรือความเป็นของตนถ้ามันมีความรู้เช่นนั่นเองอยู่แล้วจิตมันจะว่าง คือจิตมันจะไม่ไปจับช่วยเอาอะไรเป็นตัวตนเป็นของตนจิตว่างที่แท้จริงในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้นอกนั้นเป็นจิตว่างอันถานคนอันพานมันเอาไปใช้เพื่อหาประโยชน์อย่างอันพานจิตว่างในพระพุทธศาสนาก็คือว่ามันเห็นว่าทุกอย่างมันไม่มีตัวตนไม่เป็นตัวตนไม่ใช่ของตน ก็ใช้คาว่าโลกโลกทั้งหมดทุกโลกด้วยและทั้งทั้งโลกทุกๆุกโลกเป็นอนัตตาคือไม่เป็นตนหรือไม่เป็นของตนนี่จิตมันก็เห็นความไม่ไม่เป็นตนไม่เป็นของตนนั่นมันคือมันเห็นเช่นนั่นเองแล้วมันก็เลยไม่ไม่ ไม่ยึดถือมันยึดถือไม่ไหวมันยึดถือไม่ได้มันไม่ยึดถือมันยึดถือไม่ลงเพราะว่ามันเป็นเช่นนั้นเองอย่าไปยึดถืออะไรกันนี่จิตเมื่อไม่ยึดถืออะไรมันก็เป็นจิตที่ว่างเพราะมันไม่ได้ยึดถืออะไรจิตว่างมันก็สบายแหละส่วนบุคคลนั้นมันก็สบายแล้วมันก็ไม่ไปทําอันตรายใครที่ไหนได้ไม่เอาเปรียบใครได้อื แล้วมันก็สบายด้วยแล้วมันก็สามารถทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้ดีถ้ามันเป็นจิตที่ลืมเตาจิตที่รู้จิตที่กัดสรู้จิตที่รู้อะไรอย่างแจ่มแจ้งถูกต้องมันก็ทําอะไรถูกต้องมันก็ทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้มันได้ผลก็คือว่ามันเป็นสุขนี่เป็นข้อแรกคนนั้นไม่มีความทุกข์ แล้วข้อที่สององความมีอยู่ห่งบุคคลนั้นมันเป็นประโยชน์แก่คนอื่นด้วยเท่านี้ก็พอมัง้ง <c oughs> ก็ควรจะพอแล้วมัง้งจะจะบ้าเอาไปถึงไหนกันนักเ <c oughs> มื่อตัวเองก็เป็นผู้มีความสุขด้วยและความมีอยู่แห่งตัวเองก็เป็นประโยชน์แก่คนอื่นด้วยเท่านี้มันก็ควรจะพอแล้วขอให้มันได้เพียงเท่านี้เถอะทุกคนเอากันเพียงคำนี้เถอะ ตัวเองมันมีความสุขไม่มีความทุกข์พอใจตัวเองยกมือไหว้ตัวเองได้อยู่นี่ถ้าความมีอยู่ย่างบุคคลนั้นทำให้บุคคลอื่นรอบรอบรัวนั้นปลอยได้รับประโยชน์ ย, ยิ่งตามตามกันไปด้วยก็ควรจะพอแล้ว